เช่นการบริการโดิบัติธรรมทุกคนเปนอค์สมใ้รว่าเราทาันปางเปลี่ยนหรือไางเปลี่ยนอันเอเอสเป็นลาน่างเปลี่ยนเอสตายแล้วสมุสลาม สุขอนันตนามตะพนสุขนันต์ปากรติเสนาสนะถวยกับเราเยอะก็ต้องเตือนถวายที่ดินไม่เป็นให้ยากัดเราแล้วใครรู้จังคุณกเลื่องงานเอาไว้เคืนี้อีกคืินพวกนี้โวยจากบ้านเป็นใจ มันก็ใครยับเป็นอาจารยใหญ่ง่ายเลยตันกเป็นอาจารย์น้มาก่อนเป็นอาจารย์ใหญ่มีคนะยากเป็นอาจารยใหญ่ต้องไปมีใครเป็นอาารใหญ่มากไหมออเป็นอาจรใหญ่โอ้เยอะเลยโอ้โข้าเราดี อ๋อเออลาติมัแล้วเออแนะนำให้ให้พระแห้เนรญเดิโยมเราไปปรองธรรมสังเวัไปดูจารย์ใหญ่นะกลับมาแล้วจันพโลโไม่ได้มองไข่มองเนื้ออะไรนึกวจารย์ใหญ่สิ มนเหมือนมากแก็กลิ ir, um, ir, it like it? Right. ่นอืมกลินแรงก็่แช uh, ่พอแล้วก็จะผารู้ใครเคยไปดูผ่านะเอ่อหลายปีก็แล้วก็าปาผากันไปดูเออไปดูกันดูมมดไม่มดใ่ทุกสภาเออ เราวตนั้นก็แปลกพราะเราเป็นกลัวตอนเป็นอาจารย์ใหญตอนเป็นอาจารย์น้อยไม่กลัวกันพอหมดระบายจเจปุ๊บเลยใหญ่ๆกลัวไม่เรียกว่าคนนะเป็นคนยังไม่ได้ไเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ความคิดยังไงเป็นคนอยู่ดีกลายเนผีเลยนะ แล้วไม่มีใครกล้เ ข, า, ขาใกล้ตางที่จิตมันก็ไม่มีแล้วมันเหลือแต่ดินน้ําไฟลมก็มมีไฟก็กแต้งเย็นไฟมันดับก็เหลือแต่ดินกับน้ําน้ําคือนน้ำเหลืองดีน้ำเป็อน้ําเหลืองคอเลี้ยร่างกายส่วนถ้าจะเป็นแข็งๆทั้งหลายเลยปุกกระดูปดุกมีอะไรปุก ผมเนยะไม่ทานดินมันเหลืออยู่แค่นี้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาก็แปลว่าเรากลัวอะไรถ้าแยกมันออกแล้วเรากลัวดินกลัวน้ำกลัวไฟกลัวลมแต่ถ้าปัญญาเกิดแต่ถ้าสัญญาเกิดคือความจำแนกแ น, นรู้มันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็นแสดงว่าทุกวันนี้ เราอยู่กับสัญญามากว่าปัญญาพวกไหนใช้สัญญาก็เดือดได้ก็เกิดความกลั ว, วกลัวสัญญาตแต่เองแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อสัญญาเกิดขึ้นคือความจําหน้หนาโน้นให้พวกเราเอาสองเรื่องเป็นตัวเกณอนเป็นตัวเตือนเ็นตัวือความจําหน้ามารู้ที่เราจำได้นะมันเป็นความจริง ก็ว่าเป็นแค่ความเชื่อแงแยกมออกตอนนี้นเราแยกความจริงกับความเชื่อไม่ออกอะไรเป็นความเชื่ออะไรความจริงสุดท้ายเราก็ทําทตามความเชื่อเชื่อว่าอย่างไรทำทางอย่างนีน้แต่ไม่อยู่ความจริงเราถามพุทธยิยวสอนอะไรพุทธิย่อสอนความจริงไม่สอนให้เราสับไปว่าเชื่อ เชื่อนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกที่จะต่อไปข้างหน้า้าไรอะไรเดินต่อไปได้ถ้าไม่มีความเชื่อไปไม่ได้มีการต้องเลือกไปไม่ได้เหาต่อไปไม่ได้แต่ว่าบนความเชื่อนั้นก้าวต่อไปมันต้องเป็นความจริงว่าี่ไปต่อได้ไปได้สิ่งที่เราขาดประเด็ก็คือความจริง คือสัจจนะครับจะเป็นตัวสัจจะทำ น, นี่คือสิ่งที่เราพยายามไปห้อยหาสวายหาแล้วมันอยู่ที่ไหนของคนนี้มันอยู่ที่ไหนเป็นอะไรความจริงกัรรมฐาความเชื่อยู่ตรงไห น, นตน้องแต่มาถามพระพุทธเจ้ามาตอบยังไงยังไม่ออกอีกก็ดูในชีวิตไปาวัน ไม่ใช่เขาไม่เชื่อเพื่อจะมาเมันตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้พระบุเจ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมให้เอาปัจจุบันเป็นหมองปัจจุบันเป็นี่ก็เอาปัจจุบันมปจุดตั้งต้นถ้าเราพูดอดีตเป็นจุดตั้งต้นเอาไงไม่มีใครไม่มีอะไรที่ถ้าเอาอนาคตเป็นจุดตั้งมาถึงนี่ีวิตก็ติดตัวดีทํา อถ้ากลับมาถามพวกเราเลยว่าสามคำเราก็มีความรู้ขับเคลนเรนี้มากแล้วกขนาดไหนหนึ่งคือความคิดสองคำพูดสามการกระทําเราใช้อันไหนมากที่สุดลองลำดับจากมากประหาน้อยจากน้อยประหามากจากยากประหาง่ายจากง่ายไปหายาก ระวงลำดับหนูในชีวิตประจำวันว่าระหว่างความคิดกำพูดการกระทําอันไหนที่มันใช้เยอะที่สุดก็แปลว่านั่นคือสิ่งเราจะต้องระวังมากที่สุดเพราะเราใช้เยอ ะ, ระเราใช้ตังค์หมดไปกับอะไรมากที่สุดอันนั้นจะต้องระวังเนี่ยเป็นธรรมะธรรมะมันใช้อย่างนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ แต่ถ้าใช้โดยไม่คิดมันจะสตังมีพันหนึ่งเกิน้วต้องไปยืลงกำลังมันเกินพันไปเยอะแล้วแต่ยังไม่พอเลเพิ่มเข้าไปอีกนี่เราเกินกำลังำลำบากท่านคิดหนึ่งไม่ทช่ไรสองสาม ส, ส, ส, ส, สี่ต้นดอกตามมาอีกถ้าเราคิด เพรนั้นต้องต้องคิดเองมันก็ยิ่งคิดนองครับเพราะตัวาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆดิ่ัเป็นประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะคือธรรมะนั้นใช้กับตัวเราไม่ดใช่คนอื่นธรรมะอยู่ในตัวเราธรรมะขันยาต่างๆขันละเอียดมันอยู่ในบ้านเราแล้วทำยังไงเป็นอย่างเอาธรรมะอันนี้ยก วัดไปไว้ในบ้านได้มันมีโครงการประบบคนโยวัดต่อให้ที่เสื่อมมีนานคนเข้า เ, เ, า เ, เ, าเไไสื่อมเยอะขึ้นมันเขายกวัดตัวให้เสื่อมเป็นเข้าเสื้อ้มหมดวัดก็เลยเข้าลูกคนดีอนี้กลับมาพูดถึงอยสองเรื่องคือความจริงกับความเชื่ออันนี้คือประเด็นใหญ่ ในชีวิตจริงของพวาเราทุกวนเราอยู่กับความเชื่ออยู่กับจริงมาแยกแวันนี้ถ้าจะอยู่กับเชื่อเชื่ออะไรของเชื่อแต่ละเราเชื่ออะไรเชื่อแล้วมีคนอย่างไรความเปรียบปีการพิจารณาคัดควรหรืออะไรย่างนี้จริงหรือเป แตามาไมใช่ก็จริงแต่ตาจะมาเ น, นี่ยก็ต้องยังมนี่อให้เหัย น, นชั้นเดียวไม่ได้การดูเครื่องดารจะเดื่อนเจ็ดวันสิบห้าวันอาวา้ครั้งหนึ่งก็ครบชุดได้คังหนึ่งไคิดกะได้ถ้าจะยกวัดไปไว้ที่บ้าน้าจะเอาอะไรไปไว้ที่บ้าน เดี๋ยวบอกแล้วว่าจะเอากล้วนบาตรนมอะไรกลับไปบ้านอันนั้นไม่มีสาระอะไรของดอกไม้เราจะทายก็ไม่พอเราไปเรื่ค น, ค น, คนคิดหัวกันกับของพวกนี้ไของที่มันเป็นกลางมันระกอก็ยังคิดไม่ได้พอาะพกผู้ที่ทสิบสิบปีอลไก็ ค, คิดกันไม่ได้พอก็ อ, อยู่แบบนี้ นี่ค so so ่สมมริวเรายกวัดไปบ้างเอาเอาสวัสด์ก็ได้บม่เอายกสวัรค์ลงมาไว้บ้านเราได้นี่แคเคยเรายกสวัร์ไว้ในบ้านมันจะตงในทาง ถ้าเราไม่เอาสวรรค์ไปในบ้านมันก็เอาอารกไปในบ้านเราเคยรู้ไหมว่าวันไหนบ้านเราเป็นสวรรค์วันไหนบ้านเราเป็นอารกเคยรู้มั้ยก็ไพิจารณาด้ยมั้ยวันที่เป็นสวรรค์คือมีสวรรค์เกิดขึ้นในบ้านอาการมันเป็นยังไบบงบรรลุตนอะยังไงเราพร้อมกันเป็นยังง กับช่วงกลางค่ำกับวันที่นรกอยู่ในบ้านมันเป็นยังไงมันเริ่มยังไงแล้วผมมันเป็นยังไงเราเจระก็แตกต่างเราในโอกกับสวรรค์ที่จะเป็น ป, ปัจจุบันไม่ตําเป็นรอ๋อรชาตาชาติาาดีจะเขาจะเป็นปัจจุบันเนี่ย คือทำให้เป็นสวรรค์ในปัจจุบันเพราะว่าสวรรค์เราก็เข้าใจก็คือความเชื่อเข้าใจว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นต่างหอสถานที่เป็นวิมาณ เ, เ, เ, เป็นอะไรอันนี้คือความเชื่อถามว่าความจริงใครเคยรู้ไหมคเคยเจียงประจักษ์ไหมแปลว่าเรากำลังอยู่ความเชื่ออยู่ในระดับความเชื่อ ความจริงอยางให้ปรากฏเป็นกระทำวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นว่าพระสมถตาจริงต้องผลบุญธรรมดาเรื่องธรรมดาออกมาที่ไหนก็ทํากันก็อยากให้ทําอย่างเนี้ยถ้าจะเอาสวัสด์มาไว้ในบ้านก็ให้เริ่มอย่างนี้เลยทำอะไรนึ่งอะไนเราเริ่มจาก ทำใจครันพระถ้าท่านมีสิทเป็นหลักเอา้นี้่ออันนี้คือหลักทใจเป็นพระถ้าก็มีสิทธิเป็นหลักอาธิราธรรมแบบนี้ก็คือทรรวัดเม่อกี้าว่าธรวัดวัดวัดธรวัดคืออะไรคือการข้อพุทธเจ้าขาอพุทธเจ้ายังไงพระพลนาถุพุทธคุณ เออพัฒนาธรรมมงคลสังขุณคือพุทธแหงสติธรรมสติสังขานัสนคนี่ก็เลยว่าเอาของดีเข้าบ้านเอาสวบ้านพนั้นแล้วเเอาไหนเป็นหลักวิธีคิดคือเอาเอาของดีเข้าบ้านก็คือพุทธคุณธรมมลสังุนถ้าเป็นการจะเป็นอนุสติคือเป็นเครื่องรถนึกถึงต้องมีเยอะๆหนาบาน แต่ว่าธรรมนสิตตัวนี้เป็นการรักถึงของดีจริรองขันข้ามถ้ามันนึกคนนี้ไม่ได้ใจมันก็ไปไนึกอื่นมาหรือบางคนนึกแต่ของไม่ดีเห็นหน้าบอกก็จะดูกันแล้วเห็นหน้าแต่ก็ชอบไม่ชอบเกิดขึ้นในใจแล้วก็ไปอยู่กับชอบไม่ชอบมันไม่อยู่กับพุทธาธรรมามาสัาขารมันไปอยู่กับสิ่งที่ชอบไม่ชอบเองนะจิตมันทุจริตออกจากความดี เกิดอยากขายาที่เป็นเรื่องดีๆสิ่งดีๆของดีๆไปอยู่กับของได้ไม่ดีโดยที่ตัวเองไม่รู้คําว่าไม่รู้ก็คือปลาดแจิตสติสติในกระตันั้นมันก็ไปอยู่กับคน ล, คนลนั้นเพื่อนเพื่อเป็นกุสโลบายในการกําจัดวิธีคิดของคนนี้ก็เลยเอาหคนนี้เอาไปสวนพลานามาตกุลตรุคุณ ที่เราทำตอนเช้าตอนมันิว่าถกิประสบก็เพื่ออเพื่อให้เราไปเจอพารนาเต็งที่เป็นเป็นบุญเป็นของดีส่วนทุกวันไม่เป็นอะไรเก็แปลว่าพารนาของดีตอนเราเจอเป็นดีของคนดีวันนี้กลับเสร็จแล้วไปพระสมาทานเสียงการความวราม้อร ย, ยทางแปวลว่าอะไรก็แปวลว่าวันหนึ่งต้องรู้จัดการให้นะ สอนนะรับเรเกียกับให้การให้กับกันรับความต้กันข้างกันทุวนนี้เราบอกผู้ให้กับผู้รับใครมีมากมากกว่ากันรอบกันให้กับการเอาอองคนานส่วนใหญ่แล้วผู้เอาจะมีมากกว่าผู้ให้นีน้อง อืมอีกด้วากันรักการให้จุดๆเริ่มต้นของการรู้จักเสียสละที่ออกจากตัวเราแต่คนง่ายก็คือให้เรารู้จักคําว่าจะมีในั้นมันจะมีความตื่นเตขึ้นในใจอะไรที่เข้ามาได้เป็นแท้จริงตของมีค่ากับเราอาหารเข้ามาแล้วมีแล้วสละไม่ได้ปลุกการฆ้าไม่ได้ ฐานะคือให้มาได้มันก็กรสะสมความตืีนี้โดยทีๆๆๆ่ที่นก็ไม่รู้สะสมกันไปข่าวของวัตถุสาระพักจนได้มีที่ยืนมีที่นั่ง้วมีที่อยู่ก็ยังไม่เข้าใจออกแค่ตัวนอนเทิศตัวไปไปมาแค่ก็ยังไม่รู้ตั ว, ตวตคือไม่รูสติเราดูเดียวนะครับท่ ตอนนั้นการอตวาทานอีกอย่างการอตวาทานก็ป็อการวายทานกันแล้วต่อไาลตวายารเสร็จยงยังไม่เข้าถึงใจยังมีปุสบายยังมีเนืทางที่เกิเตือนนเอาอาราธนาธรรมมาจบเทิดรานอราธนธรรมก็เริ่มด้นจาพมมาจโรกา มาจักรูกังกับพปรงทาสามบริพ ร, รมก็คือพทมที่อนันนี้เป็นตามกำลางที่อารัตนามเป็นผู้ที่อารัานตนามคุเจะแสดงคำเราก็เลยใช้อันนี้เป็นเป็นหลักวาจาวาจ า, าที่เขาเหตุสนางตีกันมาจักรูกังนีนี้ยกยกสวัรค์ มาไว้ใน้านวันนี้เราจะยกส่วน้อยในบ้าถ้าจะให้บ้านเป็นสลอดคนจะเป็นอย่างนี้หลายคนบอกว่าบ้านเราในเรื่องขงประกอบของบ้านก่อคงสร้างกองบ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่บางทมันต้องมีโครงสร้างเรีะไรของสร้าง เป็นประสาททางการก่อสร้างเเรียก ว, ยว่าโครงสร้างก็คือเสาพื้นผนังหลังคานี่ก็องประกอบหลักๆตอะนั้นการก่อสร้สางพูดถประมาณนี้เราไม่ได้คิดนะ ก, กันองประกอบภาพรวมการก่อสร้างนี่คือถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มั่นคง คื้นไม่มันคงเสาไม่มันคงผนังไม่มันคงหลังคาบ้านเราอยู่ได้ไหมบานแตกบานราบหลังคาร่วงผมข้างในอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ระบบพื้นฐานมันไม่อยู่ได้แต่มันก็ลาบากเรียว่าพื้นฐ า, านหลังกันกนั้นกะซอยเป็นห้อง ในตัวบ้านเอแเป็นอ๋อ้องเรียกชื่อตามแยกแต่ทเราใช้เช่นห้องนอนซึมัต้องมีบ้างห้องกินข้าวห้องรับแขกอีห้องข้าวแก่ใช้เดินกันห้องน้ำห้องส้วจะเป็นตางต ก็เป็น อ, อย่างมีบ้านมีน้องน้าห้องเราเป็นและก็ห้องนอนเราเคยสังเกตไหมวันวันหนึ่งเราอยู่ห้องไหนนานที่สุด บางคนบอกว่าห้องครัวแสดงว่าชอบกินไปทําอะไรในครัวไปสำรวจคนอยู่ออกกินหรือว่าล้างเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยบาอยู่นห้องครัวนั้นสุดกลังจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับวัดวาศาสนาเกี่ยวอะไรก็ตาม เรากำลังจะบอกว่าถ้าจะทำบ้านให้เราเป็นสวรรค์เราต้องแยกออกว่าพมาจโรย์มันขึ้นุมาจารย์ผมห้าเราต้อ ง, องถึงผมไ่หาเพราะงานสคือ อันนี้คือสัญญาณใครจาได้หมดราะงานศีลคือแม่ตาก า, าุนามุดิตาอุเบขาอันนี้เขาเรียกว่าจาชื่อได้แล้วด้านกันเห็นนายแดงนายดำนขาวนายอะไรก็ไปอันนี้ค้าเรียกว่าสัญญาือจนจกันได้แต่รู้รู้ไม่ว่านาเแดงนานดำนายขาว มีนิสัยแจกฟอหรืออย่างไรให้ใครรู้จักแต่ชื่อเขาเรียกรู้จักแต่ชื่อังเหมือนกันสอนท่นพรบุริหารคือเครื่องอยู่ของพรมนี่คือเครื่องอยู่ของพรเขาก็คือแม่างหรือว่าแ่ฟงรุณาเอนดูสงสารนี่ก็มัง เป้าหมายก็คือเป้าหมายของการเป็นดูเป้าหมายของพระสงฆส า, าคือคิดจะช่วยให้พ้นจากทุกต้องคิดจะช่วยพ้นจากทุกเปมายไม่แต่ประมุทีตาที่เราผู้ตุวันเนี่ยผู้ที่ติดปางให้เป็นปนิสัยเวลาเห็นคนอื่นทำกตดีปองมุตนาตระทุ ดีด้วยดีแล้วเป็นตาล้อมนี่คือมุทิตาเป็นคําที่เราไม่ต้องลงเึ็นอะไรเลยแต่เราก็ได้ใช้ตาใครไม่เคย ใ, คใช้ก็หันใช้ซะถ้าเกคยเมีคิดบริเครทแม้ในใจคนอื่นทําแล้วแสดงความยินดีอย่าไปอิจฉาตาน้อมเราจะได้บุญด้วยตงรงนั้นคถ้าไม่ทําอย่างนี้สิ่งอื่นมันก็จะตาม นี่เอาไม่ดีจังรูปแบบค่ะวางบ้างทีนี้เรามาดูตามความเป็นจริงเป็นรูปธรรมก่อนว่าเมื่อกี้เราพูดถึงโครงส ร, งสาร้างไปแล้วโครงสร้างของบานี่คือพื้นเสาผนันหลังคางนี่เป็นบ้านอันนี้แหละที่เรียกว่าเมตตา ถ้าใครยังขาดโครงสร้างอันนี้คือขาดเมตตาต่อการดูด้วยกันลูกเต่าเหล่าล้างกับพี่น้องขาดความเมตตามันมัน้นแปลว่าไม่มีเมตตาทุกคนมีแต่สิ่งที่เมตตามีมันน้องทุกคนมีบ้านอาจจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านเก่บ้านใหม่แต่ถ้าบ้านนั้นเกิดราวขึ้นมารั่วขึ้นมา นั่นแหะมีขาดตลาดเมตตาบ้านเรากำลังเล้าบ้านเรากำลังรั่วจะต้องทำยังไงซ่อมจะต้องมีเมตตาต่อกันถ้าใครไม่ีเมตตาเท่าเรอยู่ในอยู่ก็ไปอย่างนั้นโยไปเย่มาเล้าบ้างรั่วมันเราก็ไปแก้ไขไม่ต้องนิมนต์หรือว่าสวรรค์เอาแหละที่อยู่ในกันอยู่กับขาดเมตตา มันก็ขัดความอบ อ, อุ่นไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะดนันจุดทีิ่มเป็นจุดเริ่มต้นของบ้านของสวรรค์ถ้าใครอยางมีบ้านมั่นคงแข็งแรงยูดิยุ่น้อาศัยความเมตตาต้องใช้คมเมตตาแค่คิดเอาไม่ได้ความเมตตามันต้องสแสดงออกเป็นรูปรร ม่ได้คิดเอาเองว่าจันทรนั้นเมตตาตอนนั้นเมตตาไม่ใช่มันต้องแสดงออกอันนี้คือโคงสร้างที่หนึ่งอันนี้คือห้องที่หนึ่งจะต้องอมีเมตตาการุณาการุณาของชุมสารของคิดจะช่วยให้คนทุกข์ถ้าเป็นบ้านเราเราต้องออกขยัะเป็นห้องไหนถ้าเป็นบ้าง ก็ห้องสุขาไงห้สุขาไปที่อะไรเปที่ปลายทุกทุกหนักทุกเบาถ้าไม่มีห้องสุขาบ้านในไม่มีห้องสุขาลองนึกภาพอองดิสมัยก่อนเด็กๆสมัยเด็กๆบ้านนอกแล้วพูดถึงบ้านนรุ่นพคนบ้านนอก ไม่มีก็ไปทำยังไงก็ไปปล่อยในป่ากดหลุมมั่งไม่กดมั่งแล้วแต่ถ้าทันก็กดหลุมท่าไม่ทันก็ไปได้พราะมันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะมันทุกมันจะออกแล้วไปอ่นนรวยได้ถ้ากดทันก็ทันถ้ากดไม่ทันก็ปล่อยเลยแต่ทุกวันนั้นเรามีในบ้านเวลามีทุกคือทุกหนัก ทุกเบาต้องปล่อยเห็นสวรรค์เป็นอย่างี้เขาอยู่กันอน่างไม่ปล่อยอยู่ไม่ได้นั่นคือการุณาคือคิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกตามกำลังตามสัมภาพซึ่งมันจะต้องมีในบ้างห้องนี้จะต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องมตใตา ก, การุณามมทิตา คือห้องครัวห้องรับแขกแขกไปใดมาเรื่องอยู่เรื่องกินต้องตทำรับกับสู้มันจะต้องมีเพราะฉะนั้นะเราจะต้องมีความยินดีกับคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าบอกคนไม่รับไม่ยินดียินร้ายกับใครเลยแันไม่ไดสนใจใครเลยคนอื่นกับคนอื่นไม่มโมทนาเลยแค่โมทนาแค่สบายินดี ก็ได้บนแล้วอันนี้คือมูติปองทีนี้พอสุดท้ายมันจะเป็นต้องนอนบนจะเป็นนั่งยืนเดินทั้งวันไม่ได้พอถึงเวลามันจะนอนก็คือห้องนอนห้องไหนห้องนอนคืออูเบค คือวางอารมณ์วันไหนมาอารมณ์ไม่ได้หรือเก่าเราล้างเดือนต้องมันมาอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีเวิกฐานอันนี้คือบ้านบ้านที่เราอยู่ทีนี้บ้านที่เราใช้จริงจริงว่าบ้านเป็น อ, อะไรคือร่างกายร่างกายตอนนี้ คนอาศัยคือใครจิตทีนี้มาดูว่าจิตของเรามันอยู่ยังไงอยู่ห้องไหนมากห่างกนเป็นตอนจากโครงสร้างเหมือนกันคือทาตสี่กัรห้าของเราอะซึ่งมีไม่เท่ากันแต่ละตอนนี้เหมือนกันสูงต่ำดำขาวมากน้อยอยู่ยากอยู่ระบัดอยู่พอดีก็เล้ยงแต่ แต่สุดท้าย ม, มันคือมีไงคือมีแล้วอาจจะลำบากหน่อยพูดห่ายแต่คนเราอาจจะป็ัจจัยสี่นอ่กสรุป ก, ก็มีก็ยังมีเหมือนระ่างกายของเราเอาสรุปว่ามีเร้โครงสร้างเรามีแล้วพื้นผนังหลังคาเรามีแล้วนี้คือพื้นฐานคือการก็คือดึงน้ำไหลลงเรามีแล้ว อันนี้คือนฐานนี่คือสาขานุพรมกึงง่งรอเราก็ใช้อยู่ใช้ถิ่นฐานกันลงใช้ไฟต้องสร้างอยู่แล้วนี่คือความแม่ตาไปรนั้นให้แม่ตาดินน้ำไฟลมเสื่อมมีอยู่บ้างให้แม่ตาให้รู้จักการมอแม่ตารือใช้เันว่าเป็นประโยชน์อย่าไปใช้เขาในทางที่เป็นโทษถ้ามีอะไรทำไปนผอบันเล้ไ นนะีก็คือความโกัธน่ะความกรเกิดขึ้นคือไปเผาบ้านตัวเองเลนะ่นให้พระาใส้อยู่แก่ว่าไปเผาบ้านตัวเองเลนะน่นคือไม่ตานี่สแสดงว่าเราไม่มีเมตตา ต, ตัวเองอาหารสุกิโตโอโ้มีจราได้หนะั้ระเพิดเมตตาขาอให้พระพิฆาตอ่ารสุกิตโตนั้นคือําเพาื่เมตตาําเพเมตตา ใจเราเมตตาทำใจเมตตาที่เราเป็นตัวดวนนี่คือโครงสร้างเาเข้าใจตรงกันแล้วอัมพิเมตตาการุณาการุณา ก, าากาา็คือห้องน้หวองช่วงห้องปล่อยทุกข์ถามว่าจใ้เราเค ป, ปล่อยทุกข์บ้า กินเข้าไปอย่างเดียวนนกินน้ํา็ประทานแต่ไม่ทายเป็นธรรมชาติไหมอารมณ์ที่รับมาทั้งหมดทั้งวันรับมาทั้งดีและไม่ดีและเก็บเอาไว้อะไม่ยอปล่อยไม่ยอวางธรรมชาติธรมชาติเขต้องปล่อยก็ต้องวางธรรมชาติเขาสอนเองทุกวัน วันไหนถ้าของหลังไม่ไม่ออกเป็นลำบากนะของบอลก็ออกลำบากนี่คือร่างการสอนมาสอนคือมันให้ทำมะแต่เราไม่เห็นอย่างนี้เขเรียกวาไม่เห็นทำเพราะฉะนั้นคนอาจจะพูดติดแปลกคือสมมติว่าคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นทำทุกหนักแค่ทุกหนักเพียงเบายังคงไม่เห็นบอกไปเปล่ามาแล้วบอกสบาย ธรรมะที่มีอยู่เจอเรามีห้องน้ำมีการรนาะฉอนนั้นถ้าใครยากไม่รู้อยากใช้ใช้บ้างคือเอาอ อ, อกวางที่อยู่ในตัวอันนี้คือห้องน้ำทั้งจนแแต่การระโาดมทิตาที่ห้องรับแขกใจเราต้องฝึกหัดที่ยินดีกับคนอื่นบ้างอย่างน้อยทก็จะคือ คนรอบตัวแม่ตัวก่อนถ้าทําไม่ได้ท่าทั่วๆไปทําไม่ได้แต่เมื่อวันนี้วานเขาบอกก็ตั้งนายกแล้วแสดงความดีดีเขาด้วยมันจะดีจะช่วยเรื่องเขาด้วไม่เกี่ยวมันก็จะไกลไปเรื่องเแต่เราแสดงความดีด้วยกันมือดีตาแค่นี้เราก็จะได้ไม่เป็นศัตรูแล้วไม่เข้าศัตรูเราจะได้ทำมืันดน นคนอื่นก็ทำานดีก็จะด้เป็นช่วยถ้าเป็นไปได้นี่คือการแสดงออกทางกายภาพอีกอยจากจะเป็นการดีไม่ใช่นึกเอาในใจเฉยอันนี้คือมุกจิตังใจเรามีไหมห้อสุดท้ายก็คือมันต้องนอนอะ่ะมันต้องพักจิตมันต้องพักบ้างปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืน ไม่ยอให้มันหยุดเลยใช้งานเหมือนเยังขึ้นกับขึ้นกลอนรถลาเวลาเราไม่ใช้งานเรายังดับมันได้เราติดมัได้เราจะใช้ถึงจ่เปิดถ้าเราใช้คนไกลอย่างกับร่างกายของเราได้จะเป็นการดีอย่างน้อยที่สุดคือขาคือยืนเหมือนกับรถถ้าเราพักเราได้บ้าง คนไกลขอร่างกายเราผู้นั้นจะอายุยืนพับยังไงกส็สมาธิครับเอาไว้เช่นสมาธิคือทำให้จิตมันสงบบ้างจิตไม่สงบเลยก็เหมาืลลอนเรารถเราไม่ได้ใช้แตนะ่สตาร์ทไป้มบึ้มบึ้มึ้มบึมอย่างนนถ้าทำมันจะพังเร็วเหมือนกันร่างกายถ้ากันเงาเหมือนกัน ใช้เขาโดยแม่รข้าภาพเลยจิตอะไรท่า น, นเลยมันก็จะพังเร็วคือตายเร็วนะัะค น, นที่ปฏิบัติจะมีอายุยืนอยู่ได้นานพบแล้วสวรรค์ชั้นผมที่เหลือเป็นเอาไปสร้างเลยเขาเนี่ยไปสร้างีิบากยกเอาไว้ในวิบานบ้าน ไม่ได้ไกลอะไคือตัวเราเนี่ ย, ยกเอาสิ่งนี้มาไว้ในตัวเราคือยกคว า, า, ามเมตตากรุณาโมทิตาอเวกขาซึ่งเป็นสัญญาคือจำเป็นความจํานะต่อไปเอาความจริงอย่าไปเอาความจํามาใช้เอาความจริงมาใช้มันถึงจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นความจําก็ถามเอาพอไปหานมีอะไรบ้าง แตกการน้ำแตกเหตารอันนี้คือประจำต่อไปออกความจริงมาใช้แต่ไปเอาแค่ประจําแล้วเราจะเข้าใจหลักการหลักธรรมเราเห็นว่าโอ้สวรรค์ที่แท้จริงมันไม่เบี่ยงเเลยมันไม่ใช่เรื่องทุกอย่างซับซ้อนอันอยู่ในตัวเราใกล้ตัวเราอย่างนี้เราจะได้รับประโยชน์จากการอาศัยบ้านหลังนี้คือร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ การปฏิบัติธรรมของเราก็ง่ายเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติบ้านเรานให้เป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้เลยว่าะัย่งคือวันหนึ่งเราจะต้องเดินออกจากบ้านหลังนี้แน่นอนจะตายแต่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้ตายด้วยไม่ได้พาไปกับบ้านเจ้าของบ้านเขาจะต้องไปต่อจิตมันจะต้องไปต่อมันไม่ได้ตายอาที่มันพังคือบ้าน จิตมันยังไม่จบนะมันไปต่อแล้วมันไปไหนก็ไปแม่ตามันก็อย่างนี้กรุณาก็ อ, อย่านี้มุติตาก็ อ, อ่นี้อเุเบกขาก็วางอะไรไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงเจ้าของ ม, ม้านจะเป็นยังไงไม่มีความแม่ตาเลยไม่มีความกรุณาเล ย, เลยคือมือจับลอยวางโดยทุกสมาธิไม่เป็นเลยคือห้องนอนไม่เคยแสดบความยดีได้กับใครเลย เจ้าของบ้านคือเป็นลักษณะยังไรลองนึกภาพพอกว่าจะเป็นลักไงแล้วใครจะโกงอกงานง่อกจับบ้านแล้วใครพกงนี่ไงโอ้อันนี้คือสาระสำคมญของเราวันนี้อยา่าเอาไปใช้จริงๆคืออยากจะเอาความจาเป็นหลักให้เอาความจริงแล้วก็อยู่กับความจริงนั้นๆเพื่อความเข้าใจด้วยตัวด้วยผม แตก็จริงเราก็จะบกับสัจธรรมคือความจริงว่นนี้คือสารธรรมคือธรรมที่เป็นแก่นในชีวิตของเราฝ่าพวกเรา เ, เช้าวันนี้เพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญถ้ อ, อยู่ทางโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญแบบธรรมพอเราตั้งหลากได้ก็จะไปเจริญทั้ง ทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเท อ, อิน